สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะติดตามรับฟังรายการสันสนีสนทนากันมาตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาถึงข้ออาทิตย์เพราะว่าเรามีทั้งวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็มาถึงพระหัต ส, สุขโดยจันทร์อังคารพุธนั้นจะมีพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนมาสนทนาธรรมในช่วงถามโลกตอบธรรมแล้วก็ในช่วงหลังนี้ ท่านก็จะได้สนทนาไปจนจบเพราะว่าท่านมี108ร้อยแปดตถาคตภาสิทธิ์ที่นำเอามามอบให้เป็นสคสอกับท่านุฟังแล้วก็จะดีมากหากมีการอธิบายล่วงหน้าไปด้วยท่านที่ได้รับการไปอ่านไปใคร่ครวญจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นน ะ, นะคะทีนี้พอมาถึงวันนี้พระรหัสวันศุกร์จะมีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาจะเผยแผ่พุทวัจะนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ์จากว น, นาปะพงลำลูกกาคลองสิบ เป็นลูกศิษ์ของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลนะคะก็คือพระมารกชาคาวโรจะยกเอาพระสูตรของพระพุทธองค์มาอ่านให้ฟังพร้อมกับคำอธิบายสำหรับท่านที่ต้องการได้ความรู้แบบเต็มๆพระสูตรนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นดิฉันไปอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาพูดถึงขณะนี้เนี่ยได้มีการนาเอาวัคซีนโรคไข้หวัด2009เข้ามาใช้ แต่ก็บอกว่ามีปริมาณอันจำกัดคือพอสำหรับคนประมาณสองล้านคนในขณะที่ประเทศเนี่ยมีคนอยู่60สิบกว่าล้านคนโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เกิดความเป็นห่วงนะคะว่ามันเคยระบาดหนักมาช่วงหนึ่งตอนนี้มันซบๆไปแต่ลักษณะของการมาการไปของโรคนี้มันจะเป็นประเภทว่าเหมือนกับเส้นของคลื่นนะคะ ถ้าเป็นคลื่นะมันก็จะมีส่วนที่ทิ้งตัวลงต่ําแล้วมันก็จะสูงขึ้นมาอีกก่อนที่จะทิ้งตัวลงต่ําไปแล้วก็บอกว่านี่มันทิ้งช่วงนานแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะกลับมาอีกในเวลาอีกไม่นานก็มีการพิจารณากันว่าผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากก็จะเป็นผู้ที่ได้รับก่อนนอกจากนั้นก็จะมีบุคคล หลายๆประเภทที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่สามารถทําความสะอาดร่างกายได้เพื่อที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดูแล ต, ต, ต, ตัวเองเป็นต้นนะคะหรือว่าคนชราบางประเภทก็จะได้รับการพิจารณาให้วัคซีนอันนี้ก่อนทีนี้คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่อยู่ในค่ายละทําอย่างไร หากว่าวางใจแบบพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็ฟังรายการนี้กันอยู่เรื่อยๆก็คืออย่าเพิ่งไปวันไหวอย่าเพิ่งไปเป็นพวกมงคลตื่นข่าวแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็คือว่าตอนช่วงที่โรคเข้าระบาดเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์กันเยอะใช่ไหมคะว่าเราควรที่จะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวิธีการที่จะทาให้เรามีสุ ข, ขภาวะที่ดีซึ่ง่ะต้องเป็นทาให้เป็น พฤติกรรมเป็นนิสัยอะค่ะมือจะต้องไม่ไปล้วงแคะแกะเกาเพราะว่าโรคพวกเนี้ยมันเป็นโรคที่ติดต่อกันได้โดยง่ายก็บอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่คนนั้นผ่านการเป็นโรคหวัดแบบนี้มาแล้วแต่มันจะดีที่สุดถ้าหากว่าเมื่อเวลาเป็นโรคเนี้ยร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะผ่านไปกับโรคนี้จนกระทั่งหายได้โดยชีวิตเรายัางเหลืออยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดนอกเหนือจากที่บอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการช่วยให้โอกาสที่ร่างกายเราจะอ่อนแอจนกระทั่งเชื้อโรคบุกแล้วก็มาทำร้ายเราได้เนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วเขาบอกว่าการการที่เวลาเราเกิดติดเชื้อนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากที่จะให้มันแพร่กระจายไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่า กระทั่งแปรงสีฟันของเราเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็ยังต้องล้างอย่างดีจนมั่นใจว่าเชื้อโรคมันไม่มีก็เป็นว่าเาระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างเป็นพิเศษก็แล้วกันแล้วก็เตรียมไว้ก่อนที่จะเป็นฝ่ายรับนะคะเราก็ต้องเป็นฝ่ายป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นแล้วมันไม่ดีอะค่ะเสียเวลามเวลาเราอาจจะ ไม่ได้ยินเข้าประคมข่าวช่วงนี้มากแล้วก็เลยคิดว่าเออมันคงไม่เป็นไรมั้งอย่าให้มันเป็นก็แล้วกันเพราะเขาบอกว่าถ้าเวลามันกลับมาใหม่เนี่ยมันมัการุนแรงกว่าเก่านี้พูดไม่ได้ให้กลัวนะคะพูดเพื่อที่จะให้เตรียมตัวรับมือกับมันในฐานะที่อยู่ในโอกาสที่จะสามารถกระตุ้นเตือนกันได้เป็นการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จะได้เป็นการช่วยรัดไปอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวไปพบกับพระมาร์คชาคาวโรในช่วงต่อไปค่ะถามโลกตอบธรรมท่ฟังที่เครบคะ่ะวันพฤหั ส, สบดีนี้เช่นเคยนะคะหลังจากที่ได้เกื่นนำรายการสัมสนีสนทนากันไปท่านก็จะได้มาฟังพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมาชาควโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบได้นําเอามาอ่านแล้วก็ขยายความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าถามโลกตอบธรรมขณะนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะนมัสกการของท่านค ะ, จะเจริญพรค่ะก็ตามธรรมดานะคะคนเราเนี่ยพอช่วงอะไรที่มันเก่าจะผ่านไปอะไรใหม่จะมาเช่นสงท้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือ ย, อยางกับช่วงเทศ ก, กาล จะเข้าพรรษาเนี่ยเหมือนกับตะเกียกตะกายนะคะว่าโอ้โหสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเลิกแล้วก็ทําหาสิ่งที่ดีใหม่ๆมเราควรจะลดละเลิกอะไรกันบ้างแล้วก็ควรจะทําอย่างไรกันดีนะคะถ้าหากว่าเป็นวิถีทางของลูกพระพุทธเจ้าแบบชาวพุทธอย่างพวกเราค่ะอ่าใช่ก็พระพวกมีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงวิธีการละเว้นกิเลสในรูปแบบต่างๆ แ เ, เราอาจจะไม่ค่อยรู้เราอาจจะรู้แค่ว่า เ, เราต้องละกิเลสนะละกิเลสลดละเลิกแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ลงรายละเอียดในวิธีการละกิเลสไว้จริงๆท่านผู้ไว้6แบบแต่ว่าจะออลองเอามาสักสี่แบบเพื่อที่ว่าเห็นว่าเหมาะสมกับฆราว่า ญ, ญาติโยมทั่วไปท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใด จะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละเกเลตเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในทาวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกษุไม่สัมรวมแล้วกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสัมรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อ น, นะ on, จะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษ mm ุทั้งหลาย กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอันนี้คืออย่างแรกในการที่เราจะละกิเลสคือเป็นการสำรวมสังวรตาหูจมุกลิ้นกายใจเพื่อที่ว่าถ้าเราไม่สัมรวมแล้วเนี่ยกิเลสเครื่องขับแครนและเร่าร้อน จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสำรวมสังวรกิเลสที่เป็นเครื่องขับแค้นและเล่าร้อนจะไม่บังเกิดขึ้นในอันถัดมาท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลัน้นซึ่งภิกษุนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการอดกลัน้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกสุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและ ส, ะสัตว์เศษกลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้น ต่อกลองแห่งท้อยคำอันหยาบคายอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสเผ็ดขมคืนไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่อดกลั้นอดทน ด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเพิกษุอดกลั้นอดทนอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เพิกษุนนั้นเพิกษูนทั้งหลาย กิเลสเป็นเครื่องเศร้อมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้อมองจิตอันจะเพึงละได้ด้วยการอดกลัน้นซึ่งพิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลัน้นอันที่สองนี้คือท่านตรัสให้เราละกิเลสด้วยการอดกลัน้นอดกลั้นต่ออะไรอย่างพิกษุก็คืออดอดทนอดกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิว ความกระหายสัมผัสต่างๆที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสืบคานทั้งหลายและก็ยังต้องเป็นผู้ที่อดทนต่อคลองแห่งท้อยคำอันหยับคายว่าร้ายเป็นผู้อดทนต่อทุกเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดคมคืนไม่เป็นที่สบายใจหรือจนจะถึงแก่ชีวิตได้ อันนี้คือต้องอดทนอดกลั้นอย่างเต็มที่แม้ว่าจะต้องเกี่ยวกัเสียชีวิตก็ยังต้องอดทนน ะ, <c oughs> ะท่านก็บอกว่าถ้าเพราะถ้าให้อดท น, นกิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองอขับแค่เร่าร้อนก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอดทนอดกลั้นได้อยู่กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้ก็จะไม่บังเกิดขึ้นในข้อที่สามท่านได้ตัดว่าภิกษุทั้งหลาย กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงู หลักต่อขวากน้ำห้วยเหวบ่อของโสโครกหลงอุจระและงนเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปและการครบพวกเพื่อนที่ลามกอันวีอันวินวโยชนเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ตำสามภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยกคายแล้ว ย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นนันเสียและย่อมงดเว้นพวกเพื่อนลามกเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิกษุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้น และเมื่อภิกษุงดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่านี้แหละที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่นภิกษุนั้น ละได้แล้วด้วยการงดเว้นอันนี้ก็พระพุทธเจ้าได้ตัดว่าให้เราละกิเลสด้วยการงดเว้นงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุการที่จะต้องไปเจอสัตว์เลยว่าสถานที่ต่างๆที่สกรปรกแล้วก็ที่สําคัญคืองดเว้นที่แท้ไม่ไม่ควรนั่งไม่ควรไป งดเว้นการครบเพื่อนลามกที่เพื่อนประพฤติมอาจันเนี่ยจัดไว้ในฐานะที่ําสามสําหรับคารวะก็อาจจะนึกถึงว่าการที่เรางดเว้นในที่ที่ไม่ควรนั่งไม่ควรไปสถานที่อโครจรต่างๆที่จะทําให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดความเดือดเนื้อลอนใจได้ซึ่งพระพุทธมีพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าถ้าเราไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้เนี่ย กิเลสอันเป็นเครื่องขับแครนและเร่าร้อนก็จะพึงบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเรางดเว้นแล้วกิเลสที่เป็นเครื่องขับแครนและเร่าร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนอันที่สี่นี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้ว ด้วยการบันเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกสุททั้งหลายภพกสุทในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบันเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้เส้นกามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้ว และเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทับแคน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 ซึ่งพิกสุนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทา น, นี่การบรรเทาก็คือพระพุทธเจ้าให้เราบรรเทาความคิดในทางกามคือตาหูจมูกลิ้นกายพยาบาทแล้วก็เบียดเบียนแล้วก็สิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆท่านให้บรรเทาลงไปทำให้สิ้นสุดลงไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งสิ่งต่างๆเหรานั้นดงนั้นสีอย่างนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะละก็คือ ละได้ด้วยการสังวรคือสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอดกลัน้นอดกลั้นต่อสัมผัสเอ่อที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดสัมผัสที่เกิดจากผู้คนที่กล่าวว่าเราด้วยคำหยาบคายว่าร้ายอดทนต่อทุกขเวทนาทางร่างกายหรือแม้ทางจิตใจที่กล้าแข็งแสรเผ็ดขมขื่ไม่เป็นที่สบายใจจนจะถึงแก่ชีวิตได้มดเว้น ละกิเลสด้วยการงดเว้นคืองดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุดุงดเว้นที่ที่ไม่ควรไปที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่อคโครจรทั้งหลายงดเว้นการคบเพื่อนที่ลามกที่เราเพื่อนๆด้วยกันจัดไว้ในฐานะที่ต่ําสามแล้วก็บัรเทาละกิเลสด้วยการบรรเทาคือบรรเทาความคิดในทางการพยาบาทเดียดเบียนและอกุศลต่างๆก็ถ้าเราค่อยๆทํา ไล่เกล็ดด้วยวิธีการต่างเหล่านี้สิ้นปีนี้เราก็คงจะละได้หลายๆอย่างเหมือนกันค่ะหมายถึงว่าไม่เป็นประโยชน์แต่แค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอย่างเป็นคนที่มีกิเลสซึ่งเป็นของไม่ดีเบาบางลงไปใช่ไหมคะใช่เราก็จะมีแล้วก็มีวิธีการที่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในสัมผัสของเราเนี่ยมีวิธีการมีวิธีการที่เยอะขึ้นทมาคะ่ะ คืออ่านดูในข้อที่พูดถึงการงดเว้นว่าไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยก็คงจะต้องปรับประยุกกับยุคสมัยนะคะอย่างเช่นอุทาหรณ์ของสิ้นปีที่แล้วสง่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อ <c oughs> นรับปีใหม่กันอย่างเศร้ามากที่ว่ามีคนที่ไปเที่ยว ฉลองปีใหม่กันต้องถูกไฟคลอกเสียชีวิตเป็นจานวนมากใช่นี่คือพระพุทธเจ้าได้ตรัดไว้มาเป็นสองพันห้ารอยปีนะให้ก <Okay. S 2> นเว้นที่ที่ไม่ควรไปก <Okay. S 2> ็ที่ที่ไม่ควรไปนี่เราก็ ก, ก็คงจะมีการเป็นอุทาหารณ์กันอย่างนี้แต่จริงๆแล้วในขั้นของธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ต่ัว่าที่ที่ควรไปก็คือสติปัฏฐาน4ี่คือกายเวทนาจิตธรรม ค, คือบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนตอนปีใหม่แล้วก็ไปเที่ยวในกายเวทานาจิตธรรมของตัวเราเองก็ได้ก็คือลมหายใจหรือว่าเวทนาจิตแล้วก็ทําการรู้ลมหายใจเนี่ยก็เป็นการไปเที่ยวได้อย่างหนึง่งค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเอ้มันไปเที่ยวยังไงเนี่ย <c oughs> ไปเที่ยวอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมไม่ต้องไปเชียงใหม่ก็มีความสุขได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมาติดตามกันต่อไป ก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยพยายามที่จะมอบของขวัญปีใหม่ซึ่งเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวัรธรรมวินัยจากพุทธโอษให้กับท่านโดยพระม้าชาคาวโรนะคะท่านจะมาในวันพระหั ส, สบดีกับวันศุกร์พร้อมกับพระสูตรจากพระโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับในวันนี้เป็นจากขุมทรัพย์จากพระโอษใช่ไหมคะท่านใช่น่าเอ่อยสี 4 4 7วิธีละกิเลสแบบต่างๆนะคะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบคุณท่านอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้ค่ะถามโลกตอบทันท่านฟังคะ่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับพระสูตรที่ท่านมาร์คได้นำเอามาฝากท่านฟังเช่นเคยนะคะในช่วงท้ายตอนนี้เราจะมีพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนที่ จะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของร0อยแปตถาคตภาสิทธิ์ซึ่งท่านได้รวบรวมเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยใช้ในการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่หลีกเร้นที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีแต่วันนี้ท่านเห็นว่ามีประโยชน์มากก็เลยถือโอกาสมามอบให้เป็นสศ ป, ปีใหม่ในรายการสันสนิษฐานากับผู้ที่ติดต่อเข้ามานะคะน้ำมัสการคะท่านคะ่ะค่ะวันนี้ ท่าอาจารย์จะฝากไห <36 S 1> ้ข้อ36ข้อ36ค่ะท่าเจ้าตรัสคาถานี้เนี่ยตรัาเฉพาะส่วนหนึ่งค า, าถาของคาถาเนี่ยตอนที่ทราบว่าตัวเองสิ้นตระหนัแล้วค่ะก็คือตรัสจะรูแล้วนั่นเองตรัสว่าความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกร่ําไปทุกชาติบางคนยังอยากเกิดอยู่ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นคนรวยยิ่งกว่านี้อีกร้อยเท่าค ะ, ค ะ, คะ แต่ว่าถ้าเกิดมาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาหาวัคซีนอย่างนี้อีกวัคซีนแก้โรคต่างๆใช่ไหมมันก็ต้องมีโรคต่างๆที่มาให้เราคอยแก้พระเจ้ายกตัวอย่างให้อ่พระฝั่งพูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าเราตักน้ําอ่ะเอาเอาขุดดินมาตั้นเป็นก้อนก้อนเท่าลูกกระเบาผลกระบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี่เป็นพ่อ ปั้นดินใหมก้อนนึงอันนี้เป็นพ่อของพ่อปั้นดินเมก้อนนึงเป็นพ่อของพ่อของพ่อปั้นดินใหมอีกก้อนนึงเป็นพ่อของพ่อของพ่อของพ่อจนดินหมดโลกละพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะว่ายาวนมากอืมแล้วแต่ละชาติเนี่ยโหมันทุกข์มากพระเจ้าบอกว่าเอาน้ําตาเนี่ยที่เกิดจากความทุกข์เนี่ยมารวมกันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับน้ําทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่นะน้ําทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยยังน้อยไป เพราะฉะนั้นของคนงคนเดียวหรื อ, รอของทุกคนคะของคนเดียวเนี่ยสมมติจิตดวงนี้ยตายแล้วใช่ไหยเอาน้ําตาเฉพาะที่อยู่ในชาตินี้นะบางคนอาจจะถึงปิ๊บหรือไม่ถึงก็แล้วแต่อ่ะเกิดชาติต่อไปเอาน้ําตามาอีกเอาน้ําตาจากความทุกอย่างเดียวนะความสุขไม่เอาเอามารวมกันสังสารวัตรนี่มันยาวมากอมเอาแค่กับหนึ่งเนี่ยน้ําตาที่รวมออกมาเนี่ยเกิดจากความทุกอย่างเดียวนะเหตุการณ์เดียวด้วยคือบิดามดาตายก่อนเราค ก็ยังไม่สิ้นสุดเลยกับหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้เกิดแล้วเกิดอีกนี่เป็นทุกข์มากพระเจ้าบอกไว้ก็หมายความว่าคาถาบทนี้จะชี้เห็นว่าการเกิดทั้งหลายทุกชาติเป็นทุกข์มากมีมีผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งที่วัดาดอนหายโศกบอกนั่งสมาธิเนี่ยปวดทามากไม่อยากมาเกิดชาติต่อไปแล้วเพราะว่าถ้ามาเกิดอีกจะต้องมานั่งสมาธิให้เป็นทุกข์อีกไม่เอาพอ ชื่อนี้อืมเอาท่านก็เข้าใจคิดนะคะเป็นคนมีบุญนะมั้งคะแค่ปวดขานี่เลยไม่ขอเกิดอีกแล้วแต่บางคนเนี่ยค่ะท่านคะชอบมากเลยเพลงนี้ถ้าเลือกเกิดเองได้นะคะเลือกเกิดได้อย่างใจเนี่ยจะขอเกิดกับเธอทุกชาติทุกชาติตรองประเด็นมันคือถ้าเลือกได้เนี่ยก็กดีแต่มันเลือกไม่ได้สิ นะคะแล้วถึงจะเกิดกับเธอทุกชาติเนี่ยพ้นทุกไหมคะเพราะว่าสมใจมากเลยเจอผู้หญิงคนเดิมที่ชอบก็สิ่งใดมีความรักเป็นที่มายินดีสิ่งนั้นก็เป็นทุกราชนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นก็เป็นทุกค่ะอเพราะนั้นพระพุทธองค์เนกระเช้าเห็นเท่านั้นเองนะคะส่วนท่านจะอยากได้ความทุกต่อไปหรืออยากจะพ้นทุกอันนี้ก็สุดแท้อย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้อ ค่ะนะก็อในช่วงปีใหม่เนี okay. you know like ่ยก mm ็เลยพูดถ uh ึงเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาไว้บ้างกระดิมกันค่ะแล้วจะต้องภาวนาอย่างไงคะก็คือพระรุชาตรัสเท่านี้แล้วเนี่ยพอเห็นโทษของสังสารวัตเนี่ยพระรุชาตรัสว่าเพียงเท่าเนี้ยก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังการทั้งปวงก็เอาง่ายๆแค่มาลองคิดดูในโลกเนี้ยในชาติเนี้ยที่เราเกิดมาความทุกข์เท่าไหร่บ้างเอาง่ายๆแค่นี้ กินข้าวแล้วปวดท้องต้องหาที่เข้าห้องน้ําเนี่ยก็เป็นความทุกข์แบบความทุกข์พื้นฐานมากเลยค่ะโว อ, อันนี้ทุกข์มากจริงๆแล้วถ้าไม่มีเนี่ยยิ่งแย่หนักก็ไปอีกก็ไม่ควรจะต้องมาทุกข์อย่างนี้อีกพระเจ้าเลยตัดกระดานนี้ขึ้นมาค่ะและนี่ก็ฝากกันเอาไว้นะคะสําหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการสันสนีสนทนาว่าท่านมีโอกาสได้คาถาในลักษณะนี้ซึ่งถูกรวบรวมเอาไว้ในแผ่นพับฉบับกระทัดรัฐ ภายใต้ชื่อร้อแปดตถาคตพาสิทธนะคะแจกให้เป็นสคสโดยพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนพร้อมๆกับที่เรายังมีหนังสือพุทธวัตรฉบับเก้าย่างอย่างพุทธะซึ่งลูกศิษย์ของพระอาจารย์คือฤทธิ์สธิพโลวัฒนาป่าพงหลังลูกกาครองศิษย์นะคะได้ถวายให้มาแจกกันอย่างไม่ต่อเนื่องที่หมายเลข0ูนย9 0องสค่ะอย่าลืมขอกันมานะคะสําหรับวันนี้ในมสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งและสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ